ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายและรมประตติญาณในวันนี้คงเป็นการพูดถึงเรื่องทุกข์สัจตามความหมายที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้ด้วยปรองเองข้อความเหล่านี้ปรากฏอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งเป็นประสูตรที่เราใช้เป็นหลักในการเจริญสมถะและวิปัสสนา สื่ต่อกันมาตั้งแต่อดีตการเพราะว่าในธรรมาจั ก, กวรรตานสูตรที่กำลังอธิบายเนี่ยส่งรับสั่งหรือข้ อ, ขอความสั้นๆ ส, สมาธิทิก็คือสมาธิทิไปเลยแต่ตอนอธิบายทุกขสัตย์เนี่ยก็จะอธิบายเฉพาะชื่อไม่ให้รายละเอียดคือไม่ให้ความหมายของคําเพราะว่าหมายของคำเนี่ยค่อนข้างจําเป็น ปัจจุบันเราก็มักจะใช้ตีความกันเองคืออธิบายด้วยความเข้าใจกันเองแล้วในที่สุดมันก็สื่อสารกันไม่ได้อย่ามองท่านแปลว่าอริยสัจแปลว่าความจริงอันประเสริฐก็แสดงกิเลสก็ประเสริฐด้วยมันก็ทำให้นึกว่าเอทุกข์มันก็ประเสริฐแหละเออธรรมะประเสริฐนิโรธประเสริฐอย่างนึกออกแต่ลือมันถ้าพูดอริยสัจมันก็หมดทั้งสี่ เราแสดงกิเลสเราประเสริฐเรทุกประเสริฐเอ๊ะถประเสริฐเราไปละมันทำอะไรเราก็ติดในคําว่าอริยะคือต้องไปลวประเสริฐทุกทีที่จริงมันไม่จําเป็นนะนะคือเป็นความจริงที่แท้จริงเป็นความจริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นความจริงที่ทําให้ผู้เข้าถึงความจริงเป็นพระอริยะเป็นต้นเนี่ แต่ตอนเห็นนัยยะว่ามันไม่จะประเสร์ทั้งหมดหรอกแต่ถ้าเราเข้าถึงเขาแล้วก็จะทำให้เป็นพระอริยะเป็นผู้ประเสริฐได้แต่ตัวเขาเองเนี่ยมันก็เป็นตามสถานะของเขาทุ ก, ก็เป็นทุกสมุทยัยก็เป็นสมุทัยนะนิโรธก็เป็นนิโรธไปแล้วก็ต่อไปที่เรียกว่า การต้องการอะไรคือการประสบกับสัตว์และกระสังขารซึ่งไม่เป็นที่รักเนี่ยเป็นทุกข์ก็รับสั่งว่าลุกวันภิกษุทัางหลายอารมณ์เหล่าใดในโลกนี้ซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาไม่เป็นที่รักใคร่ไม่เป็นที่ปลื้มใจคือหมายความว่าเจอรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ ท, ที่เราไม่ต้องการไม่ปรารถนาไม่พอใจต้องอยู่ร่วมไปร่วมนั่งร่วมกินร่วม ทำงานร่วมกับคนที่เราไม่ชอบนะฮะลองนึกดูภาพอย่างนี้กันเราจะอึดอาจจะลำบากจะขัดข้องจะเหนื่อยหน่ายจิงชังบางครั้งบางคราวสามีพัญญาเนี่ยเมื่อก่อนก็รักกันปานจะกลืนกินพอถึงจุดหนึ่งก็สะสมความไม่พอใจกันไว้มันก็มีการฆ่ากันเองได้ มีข่าวคราวเราได้ยินได้ขวางอยู่เสมอนี่คือลักษณะของเป็นความอุดอัดขัดข้องแล้วก็เก็บกดอยู่ภายในถามว่าถ้าเราเฉยๆจะได้ไหล่ะอยในรูปของควายใครเข้าข้อคนนั้นไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเนี่ย เออถ้าเข้ามานั่งบนตักเราเขามานั่งบนหัวเรามางก็ปวดจะเดือดร้อนตางคนนะก็อยู่ต่างคนนะก็นัง่งต่างคนเราก็ทำงานเราก็ไม่ต้อง ส, น, ออสนใจขา่าวบางทีอาจจะถูกกระซ้าเจ้าแย่บ้างก็เฉยๆปล่อยปล่อ ย, ป ล, อยปล่อยเข้าไปความทุกข์เหล่านั้นก็จะไม่เกิดขึ้นหรือว่าใครก็ตามที่ใครต่อความผิบหายใครสิ่งที่ไม่เกื้อกูล ใค่ต่อความไม่สําราญและใคร่ความไม่กเกษมจากเครื่องประกอบแก่ผู้นั้นคือหมายความว่าคนที่มุ่งร้ายน่ะพูดง่ายจานวนบาลีหน่อยทีตอนนี้ก็ส่งอธิบายเราก็แปลจากจำนวนบาลีหน่อยแต่หมายความว่าคนที่มุ่งร้ายต่อเราเนี่ยคือเราไปอยู่ร่วมกับสู่แต่ในประเด็นแรกเนี่ยคือเราไม่ชอบเขาประเด็นที่สองเนี่ยเขาไม่ชอบเรา เราต้องไปอยู่ร่วมกับเขาไปนั่งร่วมกับเขาทํางานร่วมกับเขากินร่วมกับเขาไปไหนมันไดนร่วมกับเขาก็สยองก็สมควรไงแต่เป็นเรื่องให้ระวัระังเอาคือไม่ต้องไปทุกข์อะไรมันนรอกที่เราใช้อยู่คำหนึ่งเรื น, นี้ค่อนข้างแพรหลายที่อะไรไม่จะเกิดก็ปล่อยมันเกิดแต่เราทําใจได้อย่างนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะไม่สร้างปัญหาอะไรให้แกเรามากเกินไป ทั้งหมดจึงเป็นเรื่องของใจที่ไปกำหนดหมายอารมณ์เรานั้นเอาเองเขาทรงอธิบายต่อไปถึงว่าที่เรียกว่าอภิเยหิสัมโยโคทุกโผเนี่ยที่กล่าวว่าความประสบกับสัตว์และสังขารซึ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์เนี่ยมันก็แสดงว่ามาจากสองเหตุเหตุหนึ่งเราไม่ชอบเขาเหตุที่สองเขาไม่ชอบเราทั้งสองฝ่ายในทำเฉิดเีย เขาไม่ชอบเราก็เรื่องของเขาเราไม่ชอบเขาม่ได้อะไรขึ้นเลยเขาก็อยู่อย่างที่เขาอยู่ก็เป็นอย่างที่เขาเป็นก็กดไปอย่างที่เขาไปทำไมเราต้องเสียสูญเสียเวลาแบบคนที่เราไม่ชอบคนไม่ชอบไม่ต้องคิดถึงมันคิดถึงก็เสียสุขภาพจิตเปล่าๆคนที่มองเราเป็นศัตรูนั้นแน่นอนก็อาจจะต้องระมัดระวังอยู่บ้าง แต่ไม่ถึงถึงก็ไปเคร่งเครียดอะไรมากเกินไปหรอกไอ้ตัวเนี้คิดว่าอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดแล้วก็ปรับท่าทีของตัวเองให้เหมาะควมแ ก, ะกะ่กรณีก็จะทําให้อาการที่เรียกว่าการประสบกับศาส์และสังขารซึ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์นี่มันจะลดน้อยลงไป ทั้งสัตว์ทั้งสังขารคืออาคารสถานที่ก็ไดบุคคลก็ได้การงานก็ได้อะไรแต่อะไรก็ตามมันรวมอยู่ในกรรมาสังขารน่คือบางทีมันต้องปรับใจนะในกรณีที่เราไม่ชอบเขาเราปรับใจให้อยู่ได้คือหาประโยชน์จากตรงนั้นได้มันยังไงก็ต้องอยู่แล้วอะแต่เราไปแบกทุกแบกปัญหาเอาไว้มันก็ทำให้สมัริภาพในการทำงานของเราก็หย่อนยานลงไป หรือไม่งั้นเราก็มุ่งมั่นเฉพา ง, งานของเราคนอื่นไม่เกี่ยวก็จะบรรเทาความรูร้จึกในลักษณะนั้น่งไปได้ชีวิตคนมันก็เป็นอย่างนั้นเลนะเราจะเอานิยายะไรไม่ได้ที่โบราณท่านพูดอีกต่นะปคนรักตะพื้นหนังคนชงังกับพื้นเสือแล้วก็มีเยอะที่เราไม่รู้เขารักเขาชังเราหรือเปล่าก็ใกล้ยๆกันเนี่ยออกอาการรายการนวิทยุเราก็ไม่รู้ใครฟังหรือไม่ เราเราไม่สามารถจะรู้เลยวันก่อนได้มาออกรายการที่สถานีนี้ในช่วงบ่ายโมงก็มีคนโทรเข้ามาก็ทียิบตอนนั้นก็พูดเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเออเราก็รู้ว่าคนเหล่านี้เขาก็มีคนฟังก็เรียกมีแฟนประจำรายการแล้วค่อนข้างจะแยกกันเด็ดขาดเลยนะ รายการบางรายการพอเราเรื่องนี้เข้าไปพูดเนี่ยพระโกรคนไม่รู้เรื่องเลยคนก็เคยไม่เคยได้ยินนะแต่แน่นอนแหละใครจะไปฟังวิทยุอยู่ได้ตัวบวชอาตมาเองก็ไป่ด้ฟังเลยนะแต่น า, นานจะฟังสักครั้งหนึ่งเราก็ไม่มีเวลาพอที่จะไปฟังส่วนใหญ่มันก็ฟังก่อนจะนอนแล้วก็หลับไปก็เปิดวิทยุไปก็ตื่นขึ้นมาก็ก็ฟังต่อ เพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ไปฝักไฝ่มันมากเกินไปก็เรื่องของเขาก็ปล่อยเข้าไปอาการเหล่านี้จะลดลงแล้วอาการต่อไปเนี่ยคือมีอารมณ์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าการพัาดพลากจากสัตว์จากสังขารนั่นเป็นที่รักไอเนี่ยที่จริงที่พูะเจ้าสอนไว้อภิเยหิสัมปยโยโคุโคลเนี่ยอิเยหิวิปยโยโคทุโคลคือ เราต้องเตรียมใจอ่นะแนวพินาปะปฏิเจเวะขณะที่ทรงสองในให้เตรียมใจไว้สี่เรื่องใหญ่ๆซึ่งมันเกิดแน่นอนแล้วเกิดทั้ากเกิดทุกวันในทั้งไปถ้าดูให้ดีเนี่ยคือเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีการพลัดพรากเป็นธรรมดาถ้าไม่ยอมเข้าถึงธรรมดาตรงนี้มันก็ต้องโหยหาอะไรเวลาพลัดพรากสูญเสียส่วนมากมันเกิดขึ้นจากอะไรก็ทรงอธิบายว่า พิจูตั้งหลายอารมณ์เหล่าใดในโลกซึ่งเป็นที่ปรารถนาเป็นที่รักใคร่เป็นที่ปลื้มใจนะอารมณ์เนี่ยอย่าลืมมันไม่มีอะไรหลับเกิดไม่เกินรูปเสียงกินรสปุตตภาา้าธรรมารมกันเท่านั้นเองนะมีอยู่หกประเภทเท่านั้นเองก็กอกลุ่มอยู่แค่หประเภทเท่านั้นเองแม้แต่เราเรียกอาเวกอะไรอะไรในปัจจุบันหรือแม่แม้แต่เรียกอะไรละ EQ เถอะ EQ ที่กำลังเผยแพร่กันอยู่ในปัจจุบันที่จริงก็คืออารมณ์อะ เพียงแต่ว่าอารมณ์มันเป็นกุศลเป็นธรรมารมันนั่นแหละแต่มันเป็นกุศลออสํานวนธรรมะก็ เ, เรียกกุศลเจตสิกตัวหลักจริงๆก็คือสติสัมปชัญญะที่มีการะลึกรู้แล้วก็เฉลียวฉลาดในการอารมณ์ในการวิจัยในการจัดการในการพรหาหารจัดการจิตของตัวเองนะสํานวนบาลีบางทีทรงใช้คําว่าฉลาดในทางของวิตก คือ เ, เส้นทางของความคิดเี่ยเนียวนึกๆนกนึกเนี่ยเราก็ฉลาดที่จะรู้เท่าทันเขามันแล้วก็ควบคุมความคิดเอาไว้ได้หรือไม่อย่างนั้นก็คนบางอย่างที่ใครต่อความเจริญมุ่งดีปรารถนาดีอุปการะส่งเสริมสนับสนุนเราอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะะแล้วในที่สุดคนเหล่านี้เกิดตายไปเกิดระ่าคสูญเสียไป หรือว่าคนเราเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ไม่ได้ไปร่วมไม่ได้มาร่วมไม่ได้ไประชุมร่วมหรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเราก็หหยหาอะไรถึงเขาเห็นไหมว่าสรุปแล้วคือการพัดพลาดนั่นแหละการพัดพลากนั่นแหล ะ, รระทาําให้ใจเกิดโหยหาอะไรแต่ถ้าเราห้ามการพัดพลาดได้หรือเปล่าเราก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ย คนเรามาเจอกันระยะหนึ่งแล้วต้องจากเจอเพื่อจากไม่มีอะไรที่ที่ที่เราจะครอบครองได้ตลอดไปไม่ว่าความมีความเป็นการได้การเสียต่างๆเนี่ยไม่มีอะไรตลอดมันเป็นกระบวนการเกิดตับแปรผันไปเรื่อยๆ เ, เราก็หาประโยชน์จากมันในแต่ละขณะบทเรียนที่เราเห็นเนี่ยเราดูเราหมายใจเขาออกก็ได้ เ, เราเห็นว่าลมหายใจเข้าออกเนี่ยที่จริงมันมีทั้งได้ทั้งเสียตอนหายใจเข้าเราก็ได้ตอนหายใจออกเราก็เสียถามเอาสักอย่างได้ไหมเอาอย่างเดียวเลยได้โดยไม่เสียเสียโดยไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะจะหายใจออกอย่างเดียวแล้วแล้วทำยังไงหรือหายใจเข้าอย่างเดียวมันเข้าไปได้งไงเพราะมันก็ต้องมีการได้มีการเสีย มีการออกมีการเข้าวมีการได้มีการเสียเราได้อย่างหนึ่งเราก็เสียอย่างหนึ่งเนี่เราได้กินข้าวเราก็เสียสตั้งเนี่เราได้ความรู้เราก็เสียเวลาเสียเงยินทองไปมันไม่มีอะไรที่ได้ร้อยปเปอร์เซ็นต่อกระทำหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยส่วนได้กับส่วนเสียเนี่ยมันห่างกันไม่มากแม้แต่หลักการในการบริหารทรัพย์พระพุทธเจ้าทรงเน้นไปที่ว่า จะทำยังไงว่าให้รายรายจ่ายเนี่ยมันน้อยกว่ารายได้เพื่มีเงินเหลืออยู่ด้วยจะถึงจะจ่ายหมดแต่ไม่ได้หมายความไม่จ่ายเพราะการจ่ายก็คือการเสียทีนี้เราซื้อของเนี่ยเราจะเห็นว่าเราก็เสียแล้วเราก็ได้นะของของจากร้านเราก็ได้มาแต่เราก็ต้องจ่ายวตดางไปมันมีอะไรที่ที่ที่ได้อย่างเดียวหรือเสียอย่างเดียว ตัวนี้มันเป็นกฎเป็นธรรมชาติของชีวิตที่มันจะเจอเยอะเงั้นน่ะแต่ถ้าหากว่าเรารู้ไม่เท่าทันเรงความจริงไม่พยายามทําความเข้าใจกับมันแลที่สุดมันก็เต้นเต้นไปตามไอ้ทุกจอดเข้ามาเนี่ยคือบางเรื่องนี่เขาก็หาเรื่องเราอ่ะหนเรื่องที่เราเดือดร้อนแล้วถ้าเราเดือดร้อน มันก็ข้าทางเขาถ้าเราไม่เดือดร้อนเขาก็เศร้าโศกเสียใ จ, ใ, จในข้อหนึ่งก็รับสั่งว่าลูกกรพิสุตทั้งหลายสัตว์ปราถนาสิ่งใดย่อมไม่ได้แม่ของที่ไม่สมประสงค์นั้นเป็นทุกข์อย่างไรคือต้องการได้แต่ไม่ได้ตามที่โตต้องการเนี่ย กระรับสั่งว่าความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแกเราสัตว์ที่มีความเกิดเป็นตรามตาอย่างนี้ว่าคือขอเราพึงเป็นผู้ไม่มีความเกิดเป็นธรรมดาเถิดมันก็เป็นไปได้ยากนะเพราะตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่ในการเกิดมันก็ต้องเกิดอยู่ร่ำไปอันหนึง่งขอความเกิดอย่ามาถึงแกเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้ตามความปรารถนาโดยแท้ ถ้าจะได้มันก็ได้นะฮะแต่ว่าต้องใช้ความพยายามดำเนินชีวิตไปตามหลักของอะไรมากกว่องคแปดประการอย่างที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องเกิดร้านทั้งหลายนี่ไม่ต้องเกิดอีกทีนี้ในด้านของความปรารถนาถ้าเรามองดูให้ดีนะว่าทุกครั้งที่เราปรารถนาเนี่ยแล้วก็ควนขวายจนได้สิ่งนั้นมาให้ลองสังเกตว่าไม่เหมือนกันไม่ลงตัว บางครั้งก็ผิดหวังด้วยประการทั้งปวงอย่างเล่นหวยเบอร์เล่นสลากินแบ่งเมื่อก่อนก็เดินผ่านเด็กที่มันมาขายสลากินแบ่งริมถนนที่วัดเนี่ยเห็นตอนนี้ก็ติดป้ายไว้แกก็ถอยมาเรื่อยๆแกไม่ยอมไปไหนล้วก็ไม่อยากจะไล่อะไรก็หลอกจนจนวัดเป็นสมบัติของระศาสนาเด็กมันจะทํามาหากินก็เดินสวนไปก็ถามว่านี่ เคยถูกเองมั้งหรือเปล่านี่ยขายขายเนี่ยที่บอกไม่เคยถูกนั่นก็แสดงว่าที่จริงเธอก็ผิดหวังเยอะแล้วคนอื่นก็ทํานองนั้นนะ่ะเคยถามก็หลายคนนะที่รู้จักตอนนี้ขายขายเนี่ยมันถูกบั้งหรือาบางคนก็มีถูกจะถามมาคุ้มหรือเปล่ามีน้อยที่คุ้มนะฮะเพราะที่จ่ายไปเยอะเลือเกินมันก็แสดงว่าความปรารถนาบางอย่างเนี่ยอาจจะ ผิดหวังไปเลยไม่ได้เลยแบบแทงหวยแลผิดเนี่ยบางอย่างอ า, อาจจะได้สักครึ่งสักกกินบางอย่างอาจจะได้ตามที่หวังบางอย่างอาจจะได้เกินที่หวังเกินที่หวังนี่ยากหน่อยนะฮะแต่ก็มีบางครั้งบางคราวก็เกินที่คาดหวังเอาไว้จะยังนึกถึงหนังสือที่มาได้เปลี่ยงเร่งมายกย่องไปอย่าเหยียบจํา เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาแล้วแต่มาปฏิรูปาศาสนาเราด้วยนะฮะามบุ่นวายกันเนี่ยคือไม่ได้คาดหมายนะว่าว่าใช้เวลาทําประมาณจากไม่กี่ชั่วโมงไงนะแต่ว่าเวลาเนี่ยเวลาพิมพ์จริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้เหมือนสมัยหนุ่มๆสมัยหนุ่มๆเนี่ยมาสามารถทําหนังสือได้เล่นเดียวคืนเดียวจบคือหนังสือขนาด จคาหกเจ็ดสิบหน้าเนี่ยนะเราทำรวดเดียวเลยคืนเดียวจบมีหนังสือเป็นมากที่ใช้เวลาเพียงนั่งทีเดียวนะรวดเดียวเสร็จแต่ทุกวันในแรงมันไม่มันไม่มีมากขนาด น, นั้นก็ทำแล้วนะยังนึกว่าก็ประมาณรักหกเจ็ดชั่วโมงนะหนังสือเผยแพร่อย่างไม่น่าเชื่อเลยเป็นแสนแสน่านะกระจายไปทุกส่วนต่างๆของประเทศ แต่ก็แน่นอนแนหะคนเราเป็นร้านๆนนะ่ะคนก็ได้พบเห็นก็จํานวนอาจจะมากกว่าหนังสือคือยืมอ่านต่อกันไปเรื่อยๆแต่เราก็คาดหวังไม่ถึงนะคาดไม่ถึงเลยว่าหนังสือนี้จะเป็นที่สนใจแพร่หลายขนาดนั้นก็เรียกว่าในชีวิตเนี่ยคงไม่สามารถจะเขียนหนังสือแล้วพิมพ์เผยแพร่ได้เป็นแสนๆก๊อปปี้อย่างนี้หรอก แต่ถามมาเราเขียนหนังสือมาสลายเขียนเป็นร้อยนะร้อยกว่าสองร้อยเกือบสองร้อยแล้วมันก็ไม่เคยที่จะพิมพ์มากมายขนาดนะั้นแต่ว่าในระยะเวลาจริ ง, รงๆก็ยี่สิบกว่าปีตั้งแต่ประมาณพศสองพันห้าร้ยสิบแปดเป็นต้นมาเริ่มเขียนหนังสือมานะี่ก่อนหน้านั้นก็มีเขียนจะมาลงหนังสือพิมพ์อะไรเล็กๆน้อยๆนั่นคือสิ่งที่เราไม่คาดหวังเพราะมันมเกิดขึ้นได้น้อยมาก ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามะโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปเจออะไรก็ตามนะถ้าผิดหวังมันก็ต้องนึกว่าอีกเจ็ดสิบ้าปเซ็นี่ยังอยู่ถ้าสมหวังก็ยังอีกเจ็ดสิบ้าอร์เซ็นตี่ยังไม่เคยได้เกินตามที่ต้องการมันก็มีอีกเจ็ดสิ้าปอร์เซ็นตที่อาจจะเกิดเพราะฉะนั้นใจมันจะตั้งหลัก ธรรมดานะถ้าคนสมหวังกันหมดแล้วจะทําอะไรมาให้ตอบสนองคนได้ละเพราะความหวังของคนมามากมายแล้วเกินะผิดหวังกันหมดในโลกจะอยู่ได้ยังไงทำ่มส่วนใหญ่มันก็เหนื่ยก็ได้สักครึ่งสักกึ่งหนึงนานๆก็สมหวังกันบ้างสมหวังกันบ้างเพราะฉะนั้นคนมันก็แตกต่างกันอย่างนี้ไอ้ตรงนี้เรามองในในแง่ของทุกข์ษัตริ์ นะแต่แต่ครู่เนี่ยคือพูดตะกี้เนี่ยเป็นเป็นการมองในแนวของมักกะสร์คือใช้สติใช้สติเป็นตัว ล, ลึกลึกดูแล้วก็พิจนารณาดูใช้สติสมัมปญญานี่ยรึกดูพวกอาการความรู้สึกเหล่านี้ก็จะลดลงไปยิ่งปรารถนาเรื่องอยากเกิดเป็นธรรมดาอยากแก่เป็นธรรมดาอะไรแต่ไรเนี่ยขอให้ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ ขอให้ทรัพย์สมบัติเกิดแก่เราในทางที่ชอบไปแต่แต่ละเรื่องนี่เป็นปนัญหาภูเขางท่านั้นตัางความปรารถนาได้นะมีสิทธิ์ตั้งความปรารถนาแต่โอกาสที่จะสมปรารถนานี่ยากจนถึงจุดหนึ่งที่ทรงใช้คำว่าแม่ข้อนี้ก็ชื่อว่ายมปิดจังนัลปฏิแปลว่าสัตว์ปรารถนาสิ่งใดย่อมไม่ได้แม่ข้อที่ไม่สมประสงค์นั้นก็เป็นถูก ความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่เราสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมด า, าขออย่าให้แก่มีความเจ็บเป็นธรรมดาขออย่าให้เจ็บเป็นต้นเนี่ยมันไปนขัดแย้งกับธรรมชาติของมันปรารถนาได้แต่ไม่มีสิทธิ์ตัดไม่มีสิทธิ์ที่จะสมบังเพียงแต่ว่าแก่เร็วแก่ชา้าป่วยน้อยป่วยมากนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งธรรมดา มันเป็นกระแสของธรรมชาติแล้วถามว่าคนเราถ้าเกิดมาไม่แก่เลยนี่หรือเปล่าก็มีนะฮะมีมีคนเดี๋ยวเขาเล่าเคยอ่านหนังสือก็นายตำรานนะเมืองใต้ก็บอกว่าคนคนหนึ่งนี่ได้พรจากเทวดาขอให่ว ย, ยืนขอเท่าไหร่เทวดาบอกขอตั้งห้าร้อยเทวดาต้องคิดดีนะขอมากไปไหม แกนะจะเอาห้าร้อยให้ได้เลยผลท้ายก็ได้ผ่อนเพราะอยู่ไปเนี่ยมันลูกหลานเลน้ลื้อมันตายเป็นใบไม้ร่วงในตายไปเรื่อยๆเลยตัวเองก็บิ่ในยุคสมัยนึกดูห้าร้อยน่ต้นไหนต้นกลางกลางยุทยานะคนไปทางต้นอยุทยาลยทำไปนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเอาแค่จริงเนี่ยถ้าได้เนี่ยเราก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเหมือนกัน อย่าพี่น้องตายหมดกี่ชุดกี่ชุดก็ตายหมดเราก็ยังอยู่โลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปภาษาอาหารอะไรแต่ละก็เปลี่ยนแปลงไปนะแต่เขาเล่าคงเรื่องไม่จริงแล้วนะแต่เขาเล่าให้คิดว่าผลท้ายนี่แกแกข่าตัวตายไม่สําเร็จแกก็กาะเป็นใกล้ใกล้วงซุยนะแล้วข้าไปอยู่ในทีน่นั่งเขียนว่าอีกสามร้อยเทระปีเนี่ยจะตายก็ นั้นแสดงถึงกฎธรรมชาติธรรมดาเราจะไปฝืนกฎมันพยายามพัะคับประคองตัวเองคล้ายๆกับเรานั่งเรือลอยไปตามกระแสน้ำเนี่ยก็พยายามคุมใหญ่มันเกยตื้อใหญ่มันชนอะไรต่ออะไรก็แล้วกตแต่ก็หาประโยชน์จากกระแสน้ำตรวนั้นได้เพราะหลักการสำคัญในทุกษัตริย์เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นปญญาตประธรรม คือธรรมะที่เราจะต้องกําหนดรู้ความจริงความจริงของมันว่ามันเป็นของมันอย่างเงี้ยเราไปตั้งความปรารถนาว่าเรามีความเจ็บเป็นตำราขออย่าเจ็บมีความตายเป็นตำดาขออย่าตายเนี่ยแล้วสมมุติว่าโลกไม่มีคนตายทําไงโอ้ยมีแต่คนแก่เนี่ยุย่งไปหมดเลยแล้วลูกออสมมติว่าโลกไม่มีคนแก่จะทําไงเห็นไหมปัญหาเรื่องแรงงานปัญหาเรื่องมาตามันก็ดีแล้ว่นะเป็นอย่างเงี้ยเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติไปก็ พยายามสร้างชีวิตให้มีสาระแก่นสารมากยิ่งขึ้นก็เป็นการเพียงพอทัองความเท่าไรแต่หลวงพ่ปโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไปบูรณในธรรมจะมีแด่ท่านพุกฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี